الله ؤ أس أس وا จงสู้รบในหนทางของอัลลอ์เถิดโดยที่เจ้าไม่ได้ถูกบังคับให้เกณฑ์ผู้ใด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 ผูาาา้ใดที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดีส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็จะเป็นของเขาและผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลืออย่างชั่วส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้นก็จะเป็นของเขาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพ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 แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงคำนวณอัลลอฮล่าอิลลาอิลลล่าย ا ل ل ه อัลลอฮนั إ إ Allah, นทะรงเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น แน่นอนพระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าสู่วันกิยามะซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นและใครเล่าที่จะมีคาพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลลอฮฺฤฤฤ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 และได้เจราจาประนีประนอมกับพวกเจ้าแล้วไซอลัลลอฮ์ก็ไม่สรงให้ทางออกใดๆแก่พวกเจ้าที่จะขัดจับพวกเขาได้ พวกเจ้าจะพบพวกอื่นอีกโดยพวกเขาปรารถนาที่จะพ้นภัยจากพวกเจ้าและพ้นภัยจากพวกเขาเองคราใดาที่พวกเขาถูกให้กลับไปสู่การตั้งพาคี พวกเขาก็จะถูกให้กลับไปอยู่ในนั้นตามเดิมดังนั้นถ้าพวกเขาไม่ได้ออกห่างจากพวกเจ้าไปและไม่ได้เจรจาประนีประนอมกับพวกเจ้าและไม่ได้ระงับมือของพวกเขาแล้วก็จงจับพวกเขาไว้และจงฆ่าพวกเขาหน้าที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขาและชนเหล่านี้แหละเราได้มีอำนาจอันชัดเจนแก่พวกเจ้า ที่จะขจัดพวกเขาได้ ف إ ن ا كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه و إ ن ا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه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 และมีการปล่อยท่าญิางที่ศรัทธาคนหนึ่งถ้าผู้ใดที่ไม่พบก็ここมีการถือสินดสองเดือนติดต่อกันเป็นการอภัยโทษจากอัลลอ์และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาตวโอ้ไม่ยากุตุลมุเอมินมมัมมุตแอ ม, ม, ม, มิดมันฟะจซาอูหูเจฮันนัมฟะจซาอูหูเจฮัน และผู้ใดฆ่าผู้ศรัทธาโดยจงใจการตอบแทนแก่เขาก็คือนรกยันต์โดยที่เขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลแล้วเราก็ส่งกลิ้โกรธต่อเขาและส่งสาบแช่งเขาและได้ส่งตระเตรียมการลงโทษอันใหญ่หลวงไว้สำหรับเขา يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا فتبيّنوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ا ي ْ ك م السلام لست مُؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله م غ ا ن م ُ كثيرة โอ้ผู้สรัทาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในหนทางของอละก็จงให้ประจักษ์ชัดเสียก่อนและจงอยากกล่าวแก่ผู้ที่กล่าวสลามแก่พวกเจ้าว่า มิใช่เป็นผู้สัาย์เพื่อสแสวงหาสิ่งอํานวยประโยชน์แห่งชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้แต่หน้าที่อัลลอ์นั้นทรงมีปัจจัยอย่างชีพอันมากมายในทำรลองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมาก่อนแล้วอลัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงให้ประจักษ์เสียก่อแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ لا ي س ت و ي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ففضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلوا وعد الله الحسناء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 และทั้งหมดนั้นอัลลอ์ได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้ซึ่งสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่ลอดทรงให้บรรดาผู้ที่ต่อสู้เหนือกว่าบรรดาผู้ที่นั่งด้วยรางวัลอันใหญ่หลวงคือพวกเขาจะได้รับหลายขั้นจากพระองค์และจะได้รับการอภัยโทษและความเมตตาด้วย และปรากฏว่าอัลลอ์นั้นทรงเป็นผู้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ。 Uh ถ้าจิงบันดาพูดที่มาไยกาได้เอาชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแกนตนเองนั้นมาไยกาได้กล่าวว่าพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ พวกเขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดินมาเลายา ก, กล่าวว่าแผ่นดินของอลลล์ไม่ได้กว้างขวางดอกหนที่พวกเจ้าจะอพยพไปอยู่ในนั้นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยานนำโดยเป็นที่กลับไปอันชั่วร้าย إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ من َِ الرجال َِِّ و َ النساء َِِ و َ الولدان َِِْْ لا َ يستطيعون َََُِْ حيلة َِ لا َ يستطيعون َََُِْ حيلة َِ و َ لا َ يهتدون َََُْ سبيلا ًَِนอกจากบรรดาผู้ที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นชายหญิงและเด็กก็ตามที่ไม่สามารถมีอุบายใดๆ ไ, ไ, ได้และไม่ได้รับ การนำทางอีกดออัลลอฮอ้วยวยั่ภวอันหฺมว่าอัลลอฮฺอัฟุอันรัฟูรชนเหล่านี้แหละอัลลอฮอาจจะทรงยกโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอะนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเสมอวม َمَنْ مِنْ مُهَاجِرًا يَخْرُجْ بَيْتِهِ يُدْرِكْهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْمَوْتِ إِلَ الْمَوْتُ وَقَعَ يُدْرِكْهُ فَقَدْ غَفُورًا رَحِيمًا ผู้ใดที่อพยพไปในวนทางของลอเขาก็จะพบในผืนแผ่นดินซึ่งสถานที่อพยพ ไปอันมากมายและความมั่งคั่งด้วยและผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไปในฐานะผู้อพยพไปอย่างอัลลอฮ์และรอศูนย์ของผูง้และความตายก็มาประสบแก่เขาแน่นอนผลตอบแทนของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้วณอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสม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 และเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการที่จะย่อละหมาดหาพวกเจ้ากลัวบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะคมเหงรังแกพวกเจ้าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นเคยเป็นศัตรูอันชัดเจนแก่พวกเจ้าว فَالْتَقُمْ ط َ ا ئ ِ ف َ ة م ِ ن ه ُ م م ع ك َ و َ ا ل ي أ ْ خ ُ ذ ُ أ َ س ْ ل ح َ ت َ ه ُ م ف َ إ ذ َ ا س َ ج َ د و ا ف َ ل ي ك ُ و ن ُ م ن م و َ ر ا ئ ك ُ م و َ ا ل ت َ أ ت ِ ط ا ئ ِ ف َ ة أ ُ خ ْ ر ى لَمْ ي ص َ ل ُّ ف َ ل ي ص َ ل ُّ م ع َ ك و َ ا ل ي أ خ ُ ذ ُ ح ِ ذ ْ ر َ ه ُ م و َ أ س ْ ل ح َ ت َ ه ُ م وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ م َ ي ل َ ة ً و َ ا ح ِ د َ ة ً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أ َ ذ َ ى م ِّ م َّ ط َ ر َ أَوْ كُنْتُمْ م َ ض ََْ ع ُ و ا أ َ س ْ ل ِ ح َ ت َ ك ُ م ْ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 ในการที่พวกเจ้าจะวางอาวุธของพวกเจ้าและพวกเจ้าจงระมัด ร, ระวังแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความอภัยแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ف إ a ا قضيت الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم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 แท้จริงเราได้ประทานคำพีลงมาให้แก่เจ้าเป็นความจริงเพื่อเจ้าจะได้ใช้ตัดสินระหว่างผู้คนตามที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้เจ้าทราบ และเจ้าจงอยาเป็นผู้เถียงแก้ต่างให้แก่บรรดาผู้ที่บิดพริ้วทั้งหลายตและเจ้าจงขออภัยต่อรอดเถิดแท้จริงนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอูุม และเจ้าจงอย่าโต้เถียงแทนบรรดาผู้ที่บิดพิวต่อตัวของพวกเขาเองถ้าจริงอัลลอ์นั้นไม่ทรงชอบผูทบท้ที่บิดพิวผู้ที่ทาบาปย์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 ซึ่งคำพูดที่ปรุงไม่สงพอพระทัยและอรนั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำไว้เสมอฮะัลทุมฮะอุลัยจัดลุมันฮุมฟิลฮายาติดุนยฟาไมยูจัดลุลลอฮะันฮุมยูมัล ا ิยามต์อัมไมยู ع ุนัลฮิมวะคีลา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 يَسْتَغْفِرِ يَجِدِ اللَّهَ اللَّهَ ผู้ใดที่กระทำความชั่วหรืออธรรมแก่นตนเองแล้วเขาขออภัยต่ออัลลอ์เขาก็จะพบว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ส่งให้อภัยผู้ส่งเมตตาเสมอ ผู้ใดที่สแสวงหาบาปกรรมเอาไว้ถ้าจริงแล้วเขาสแสวงหามันไว้ให้เป็นภัยแก่ตัวของเขาเองเท่านั้นและวรลอ น, นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริช า, า, ายอาอ และผู้ดาดแสวงหาความผิดหรือบาปกรรมเอาไว้แล้วก็โยนบาปกรรมนั้นให้แก่ผู้ที่บริสุทธิ์แน่นอนเขาได้แบกความเท็จและบาปกรรมอันชัดเจนไว้แล้ว و َ م ا ي َ ض ُ ر ُّ و ن ك َ م ن ش ي ء ٍวَ أ َ ن ز َ ل ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ي ك ا ل ك ِ ت َ ا ب َ و َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ت َ وَعَلَّمَكَ م ا ل َ ت َ ك ُ ن تَعْلَمْ ك َ ا ن َ ف َ ض ل اللَّهِ ع َ ل َ ي ك َ ع َ ظ ِ ي م ا แล้วกไม่มีความกรุณาของ Allah และความเมตตาของพระโรงแก่เจ้าแน่นอนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาก็มุ่งที่จะให้เจ้าลงิดไป แต่พวกเขาจะไม่ทําให้ใครหลงผิดไปได้นอกจากตัวของพวกเขาเองและพวกเขาก็จะไม่ทําอันตรายใดๆแก่เจ้าแต่อย่างใดแล้วลอได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาให้แก่เจ้าและความกตัญญูในบทบัญญัติแห่งคัมภีนั้นด้วยและได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนและปรากฏว่าความกรุณาของอัลลอฮ์ที่มีแก่เจ้านั้นใหญ่หลวงนะละ خير في كثير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 หรือให้ประณีประนอมระหว่างผู้คนเท่านั้นและผู้ใดที่กระทำดังกล่าวเพื่อสแสวงหาความปลดป่านจากอัลลอฮ์แล้วเราจะให้รงวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา นและผู้ใดที่ฝ่าฝืนรอซูลหลังจากที่ทางนำมันถูกต้องได้ประจักษ์แก่เขาแล้วและเขายังปฏิบัติตามที่มิใช่ทางของบรดรดาผู้ที่ศรัทธาเราก็จะให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไปและเราจะให้เขาเข้านรกยานนับโดยที่มันเป็นที่กลับอัลเลวร้ายยิ่ง إِنَّ اللَّهَ أن بِهِ بِاللَّاهِ يَغْفِرْ يُشْرَكَ دُونَ ذَانِ فَقَدْ ถ้าจริงอลลอจะไม่ส่งอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกนำมาเป็นภาคีแก่พระองค์แต่จะส่งอภัยโทษให้สิ่งอื่นจากสิ่งนั้น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 และพวกเขาจะไม่วิงวอนขอนอกจากแสตตอนที่ดื้อรั้นเท่านั้ น, น, นอันนอลลอฮได้ทรงสาบแช่งมันแล้วและมันได้กล่าวว่าแน่นอนยิ่งฉันจะเอาจากพวกบ่าวของพระองค์ให้ได้ ซิ่งส่วนที่ถูกกำหนดไว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 และแน่นอนยิ่งฉันจะใช้พวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ล้อสมสร้างและผู้ใดที่ยึดเอาชัยตอนเป็นผู้ช่วยเหลือแล้วแน่นอนเขาก็จะขาดทุนอย่างชัดแจ้งมันจะสัญญาแก่พวกเขาและจะทำให้พวกเขาเพ้อฝัน และชัยตอนจะไม่เอาสัญญานอกจากการหลอกลวงเท่านั้ น, น, นชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาคือนรกยานนะ้ำและพวกเขาจะไม่พบทางรอดใดๆให้พ้นจากมันไปได้